ตอนที่ยี่สค่าต้องการคําตอบที่แท้จริงดวงตาคู่นั้นที่เคยทอประกายคมปราบบัตรนี้กลับว่างเปล่าหม่นแสงและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างที่สุดเขายังคงชอบเยี่ยยคนที่กล้าตกหน้าเขาต่อหน้าสาธารณชนในวันนั้นมากกว่าในตอนนั้นดวงตาคู่หนึ่งคลอไปด้วยหยาดน้ําตาเทวาวัาวตากลับคมกริบดุดใบมีดถางตาแดงระเรื่อดุมงดงามและเยาววนยิ่งนะักต่อให้นางจะเกลียดเขาเข า, เขาก็ยังรู้สึกว่ามันน่าสนใจอย่างบอกไม่ถูก ไม่ใช่ว่างเปล่าและหวาดกลัวเช่นในยามนี้ราวกับตุ๊กตาผ้าที่ไร้วิญญาณลินเซินกำ ม, มัดแน่นพยายามระงับโทสะที่จวนจะระเบิดออกมาเจ้ากลัวข้าเรื่องอะไรกันแน่นางราวกับไม่ได้ยินสมองยังคงอยู่ในสภาวะว่างเปล่าจนไม่อาจคิดอ่านสิ่งใดได้ไดลินเซินขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจเขาเชยข้างนางขึ้นปลายนิ้วเริ่มออกแรงบีบใช้ความเจ็บปวดเรียสติที่เลื่อนลอยของนางให้กลับคืนมาเปิ่นซื่อจือเคยทําอะไรเจ้า หรือเคยทำร้ายเจ้าอย่างนั้นหรือแพาคณข า, างอนช้อนขึ้นเย่เ ย, ยาจ้องมองใบหน้าหมดจดดุดจันรกระจ่างประหน้าเพลิงโทสะในดวงตาค่อยๆถูกจุดให้ลุกชนขึ้นลินเซนเห็นดวงตาที่เคยว่างเปล่าคู่นั้นถูกจุดประกายขึ้นมาจริงๆมันเริ่มมีชีวิตชีวาและสว่างสวยขึ้นทีละน้อยหัวใจของเขาคล้อยเบ่งบานราวกับดอกไม้ที่กำลังพลีบานตามไปด้วยอย่างประหลาดในที่สุดก็ได้เห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความพผงงคู่นี้เสียทีแบบนี้สิถึงจะสมเป็นเย่เยา ทว่าในดวงตาที่สุกใสดุดดวงดาราคู่นั้นเมื่อเพลิงโทสะถูกจุดขึ้นมันก็ลามเลียไปทั่วทุ่งหญ้าอย่างรวดเร็วเผาไม่รุนแรงยิ่งกว่าที่เขาจินตนาการไว้มากนะักท่านพูดเรื่องอะไรเยี่ยวยาวหัวเรอออกมาด้วยความโมโนหนังปัดมือที่บีกข้างตนเองออกอย่างแรงก่อนจะผลักเขาเต็มรักลินเซิร์นไม่ทันตั้งตัวจนเซถอยหลังไปสองก้าวพอเขายืนมั่นได้เยี่ยวยาก็พุ่งเข้ามาคว้าคอเสื้อเขาไว้ทันทีแววตาคู่นั้นแทบจะแผดเผาเขาให้เป็นรู ซือจือท่านต้องการจะเล่นตลกอะไรกันแน่ท่านคิดว่าตนเองอยู่สูงส่งเทียมฟ้าแล้วทุกคนจะต้องยอมตามใจท่านไปเสียหมดอย่างนั้นหรือลากาเข้ามาในห้องรับต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนี้ท่านเคยคิดบ้างไหมว่าชื่อเสียงของข้าจะถูกท่านทําลายจนเยียยับเพราะการกระทํานี้ข้านึกว่าท่านจะมีเรื่องสลักสําคัญอะไรที่แท้ก็เพื่อจะถามว่าท่านเคยทําอะไรข้าหรือเคยทําร้ายข้าหรือไม่เยียเยาโกรธจัดนางผักเขาออกปอีกครั้งจนแผ่นหลังของหลิงเซินรกระแทกเข้ากับประตูเสียงดัง ปังสาวใช้ทั้งสองที่อยู่หน้าห้องสะดุ้งโยงด้วยความตกใจชาวบ้านที่มุงดูอยู่รอบๆยิ่งวิาพากวิจารกันเสซงแซ่เสีย ง, งดังขนาดนี้เชียวไหนว่าซื่อจื่อไร้สมรรถภาพอย่างไรเล่าสาวใช้ทั้งสองมองหน้ากันเลิกกลักใครจะไปคิดว่าภายในห้องยามนี้หลินเซินกลับเป็นฝ่ายถูกเยี่ยงกดติดประตูพร้อมกับเสียงตวัดลัน่นด้วยความเคียดแค้นท่านทําอะไรกับข้าไว้ท่านเองไม่รู้หรืออย่างไร ข้างนอกพันเยียบ ป, ปริบราวกับป่าช้าสาวใช้ทั้งสองสูตรลมหายใจเข้าลึกอย่างแรงแทบจะสิ้นสติล้มพับไปตรงนั้นซื่อจื่อทำอะไรคุณหนูของพวกนางกันแน่หลินเซินเองก็ตกตะลึงยิ่งกว่าใครเขาจำไม่ได้จริงๆว่าเคยทําอะไรนางแต่ความเกลียดชังที่สัมผัสได้นี้ไม่ใช่สิ่งที่เสแสร้งแกล้งทําออกมาแน่นอนยี่เยากโกรธจนหัวใจเต้นรัวเร็ตาพร่ามัวไปหมดนางสะบัดมือออกแล้วถอยห่างไปไกลพลางพิงโตหอบหายใจอย่างหนัก ในขณะที่หลิงเซินกลับไม่เป็นอะไรเลยแม้จะถูกนางผลักไปสองครั้งแต่นั่นก็ไม่ต่างจากการถูกมดกัดสําหรับเขาเขาเฝ้ามองนางอย่างตั้งใจและละเอียดทีถ้วนยี่เยาเกลียดเขาเข้ากระดูกดําจริงๆและนางก็โกรธเขาจนแทบจะหมดสติไปแล้วความโกรธเคืองและความน้อยเนื้อตําใจที่เต็มอกเมื่อครู่พลันมาลายหายไปสิน้นในเมื่อนางไม่ได้เสแสร้งหลิงเซินก็อยากจะถามให้ชัดเจนว่าความเกลียดชังที่มีต่อเขานั้นมีที่มาจากที่ใด เพียงแต่ ต, ตอนนี้คือนางกำลังโกรธจัดลินเซินจึงค่อยๆก้าวเข้าไปหายอย่างระมัดระวังและหยุดยืนห่างจากนางสองก้าวข้าเคยทำอะไรเจ้าจริงๆหรือท่านเยียวยาวถลึงตาใสทว่าวกลับพูดไม่ออกนางสามารถปักใจเชื่อได้อย่างเต็มอกว่าชาติก่อนลินเซินเป็นคนทำร้ายนางจนตายทั้งกลมทำลายครอบครัวนางจนย้อยยับแต่ในชาตินี้ทุกอย่างยังไม่เกิดขึ้นความเกลียดชังทั้งหมดพลันไร้เหตุผลเยียวยาวถึงกับจุกจนพูดไม่ออก ตัวต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดคือหลิงเซินอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ในฐานะผู้ถูกกระทำนางกลับไม่อาจยกเหตุผลขึ้นมาโต้แย้งได้อย่างเต็มที่ในตอนนี้นางแค้นักเหตุใดโชคชะตาต้องล้อเล่นกับนางเช่นนี้เมื่อเห็นนางนิ่งอึ้งไปแต่กลับขบกรามแน่นจนแทบแตกละเอียดความอยากรู้อยากเห็นของหลิงเซินก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเขาขยับเข้าไปใกล้อีกก้าวแล้วถามต่อก่อนที่เจ้าจะนัดจู๋ชือ้อมาพบที่หอทิงสเสวียเราเคยพบกันมาก่อนหรือไม่เยี่ยยาว ไม่ใช่นั้นแล้วข้าจะไปทําอะไรเจ้าได้อย่างไรยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องทาร้ายเจ้าเลยเขาถามออกมาด้วยความสัตย์จริงแต่เย่เยากลับถลึงตาใส่เขาด้วยความเครียดแค้นอย่างที่สุดนางอยากจะใช้สายตาฉีกเขาออกเป็นชิ้นชิ้นเสียเหลือเกินมีเพียงนางที่เกิดใหม่มีเพียงนางที่ล่วงรู้ถึงชะตากรรมอันน่าสลดในชาติภพก่อนเย่เยาหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึกๆพยายามกดข่มความแค้นที่สุมอกลมไปน้ําเสียงของนางเริ่มสงบลงบ้าง ท่านทำลายวาสนาดีๆของข้ายังไม่พออีกหรือหลินเซินไม่พอใจกับคำตอบนี้เขาขามวดคิ้ววาสนาดีเจ้าก็ยอมรับแล้วว่าไม่ได้มีความรู้สึกใดๆให้ชู่ชือแม้แต่น้อยแล้วจะเป็นวาสนาดีได้อย่างไรเจ้ากำลังบ่ายเบี่ยงข้าข้าต้องการคำตอบที่แท้จริงใช่แล้วหลินเซินไม่ใช่คนที่จะถูกหลอกได้ง่ายๆแต่เพราะอะไรกัน คนที่ได้รับความเสียหายคือนางแท้ๆแต่ตอนนี้เขากลับมาคาดคั้นเอาความกับนางนี่มันเหตุผลกลใดกันเย่เยา ห, หัวเราะออกมาดวงตาเริ่มมีม่านน้ำตาคลอเบ้าหางตาแดงระเรือ่อดูเย่อยวนอีกครั้งซื่อจื่อคิดว่านี่ยังไม่พออีกหรือเมื่อเทียบกับจวนสิ้นอองที่คอยเป็นปรปักษ์กับประกูลข้าในราชสํานักกับซื่อจื่อที่มีข่าวลือไปทั่วว่าไร้สมรรถภาพต่อให้ข้าจะไม่มีความรู้สึกให้ชูชือ้อแต่การแต่งให้เขาก็ยังดีกว่าแต่งให้ท่านเป็นพันเป็นหมื่นเท่าไม่ใช่หรือ หลินเซินหัวใจของเขาพลันรู้สึกอึดอัดและเจ็บแบบขึ้นมาอย่างกระทันหันเยี่เยาท่านเคยลองคิดในมุมของข้าบ้างไหมแต่งให้ท่านข้าต้องทนรับคำนินทาว่าร้ายมากเพียงใดท่านอองจะยอมรับข้าที่เป็นบุตรสาวสายตรงของศัตรูในราชสํานักได้หรือหวังเฟยจะยอมรับข้าที่แต่งงานแล้วไร้บุตรได้หรือเสี้ยชิงจือลูกพี่ลูกน้องที่ท่านประคบประง ม, มไว้ในอุ้งมือจะยอมรับข้าที่มาแย่งชิงตําแหน่งซื่อจือเฟยไปต่อหน้าต่อตาได้หรือ แล้วยังมีท่านอีกซื่อจือ่อยี่ยาวสูดลมหายใจเข้าร่างกายสั่นเทาเล็กน้อยท่านจะยอมรับค่าที่ถูกฝาบาบีบบังคับให้มาเป็นพันรยาและเข้ามาทำลายชีวิตที่ท่านเคยควบคุมทุกอย่างไว้ในกำมือได้หรือลินเซินเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงที่แท้การแต่งงานกับเขาจะทำให้นางต้องลาบากถึงเทียงนี้เชียวหรือ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าทันทีที่ฝ่าบาทพระราชทานสมรถค่าก็จะกลายเป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุดของพวกสายรับตันตีและอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ทุกเมื่อท่านคิดว่าข้ายเยี่ยงโง่นักหรือทั้งที่รู้ว่าแต่งให้ท่านคือทางตายแล้วจะไม่หาทางเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรดังนั้นการที่ข้าชิงแต่งให้ชูชื้อเพื่อหลีกเลี่ยงราชโองการพระราชทานสมรสของฝ่าบาทมันผิดตรงไหน เพียงพราะคำว่าไร้สมรรถภาพคําเดียวท่านซื่อจือก็ถึงกับต้องมาประชดประชันฆ่าทําลายข้อตกลงระหว่างข่ากับฉูฉือซัมยิงเข้าวังไปขอราชโองการพระราชาทานสมรสกลางดึกอีกเยี่ยยาวสัรสถานไปทั้งตัวข้าอยากจะถามท่านมากกว่าซื่อจือท่านต้องการแต่งข่าเป็นภรรยาจริงๆหรือหากไม่ใช่การที่ข่าแต่งให้ฉูเฉอย่อมเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ายแต่ท่านกลับทําไปเพียงเพื่อประชดประชันจนเกือบจะทําให้ข่าต้องตายด้วยน้ํามือของมือสังหาร หัวใจของหลินเซินพันกระตุกูบหากเขาไม่ไปขอราชโองการพระราชท า, านสมรสและเยี่ยยาได้มั่นหมายกับชูชื้ อ, อย่างราบรื่นมือสังหารจะตามหานางพบได้อย่างไรและจะมีการลอบสังหารในวันนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร